2. อาชาปาลกฐานว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณนะขวงต้นอาชาปาลนิโครธเรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพรามข้อ 4. ครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากขวงต้นโพธิพฤก์ไปยังขวงต้นอาชปาลนิโครธ ครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบาลังเดียวสวยวิมุติสุขอยู่หน้าควงต้นอชา ป, ปารานิโครดเป็นเวลาเจดวันครั้งนั้นพราหมณ์หูหูกชาดผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรพราหมณ์นั้นผู้ยืนหน้าที่สมควรแล้ว แลได้กลา่าวทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามณ์ด้วยเหตุเพียงไรหนอก็และทำเหล่าไหนที่ทําบุคคลให้เป็นพราหมณ์ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพราหม์ใดลอยบาปทําเสียไม่ตวาดผู้อื่นว่าไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดสํารวมตน เรียนจบพระเวทยอยู่จบพรหมจรรย์พราหมณ์นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนๆในโลกควรกล่าวว่าถ้าว่าเราเป็นพราหมณ์โดยธ ร, รมอาชปาปารกถาจบ